อทางกฎหมายเขาจะแสดงว่ามูลนิธิไม่ได้ไม่มีผลแห่งการทํางาน เ, าเพอเพอจะยุบมูลนิธิได้ไง่ายๆเพอเพอจะหามราพวกเราเอาไม่ได้ดําเนินกิจการผิดกฎหมายเขาอีกเพราะนั้นเมื่อเข้าไปแล้วมันเหมือนกับมัดแขนเราจูงเข้าไปในในที่ที่ว่าถอยหลังไม่ได้ลักษณะอย่างนั้นแหละ เ, เพราะนั้นบางสีบางอย่างเมื่อได้นัดทางโน้นแล้ว มันก็ต้องได้ไปทางโน้นทีเนี่ยนะี่นมูลนิธิหอพิบาลสงฆ์หลวงปู่มันค่าใช้จ่ายยังไงแต่ละปีแต่ละเดือนเราจะหาทุนที่ไหนมาที่จะดูแลพระสงฆ์ที่มาเจ็บไข้ได้ป่วยในโรงพยาบาลแห่งนี้มูลนิธิจะช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยจะต้องไปหาปรือกันในคณะกรรมการคณะกรรมการทั้งหมดก็มีอยู่สิกว่าท่านเหมือนกันทั้งพระทั้งโยมนะ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 อายุมากขนาดนี้แนหะกว่าจะนั่งรถนัง่งเวืานั่งเครื่องไปก็ไม่สะดวกท้งนั้นละให้ลูกหลานมาหาลงปู่ลงตาเนะบัติเน่านะคราวหนึ่งมันก็จะต้องมีลักษณะอย่างนั้นแต่ถึงยังไงเขาขอให้ลูกหลานถึงจะห่างไกลก็ให้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติตน ด, ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมเอาธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองพวกเราธรรมะคือห ล, ล, ลักหลักเหตุผล หลักเหตุผลก็คือปกครองลูกน้องบริวารให้อยู่ในกรอบหลวงพ่อเคยแนะนำเคยบอกกล่าวว่าให้ปฏิบัติต่อทิศทั้งหกให้ถูกต้องทิศท้งหกในหลักของพระพุทธศาสนานั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกกับสิงคารมานพนะท่านบอกว่าทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาเราทุกคนต้องมีพ่อมีแม่ถ้าว่าพ่อแม่ยังอยู่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 ท่านคนนี่แนะลูกของเราลูกของลูกของท่านนะคือทายาทผู้ที่จะสืบมรดก ข, ของท่านแต่ถ้าว่าลูกไม่สืบมรดก ข, ของท่านท่านจะไปหาไว้ทําไมแต่ลําพังชีวิตของท่านท่านกินก็ไม่หมดอยู่แล้วพอกินไปแล้วก็ตายไปแล้วก็จบไปที่หามาไว้มากๆเนะี่ยเพราะทายาทเนี่ยนี่แหละต้องทำกิจธุระของท่านตารงวงสกุลตารงวงศกุลคือสืบทอด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 ประพฤตนยังไงจึงจะสมควรควรรับทรัพย์มรดกถ้าเราไปกิน เ, เหล้าเมายาเอาวายยมุกทุกอย่างพ่อแม่ก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันถ้ามอบมรดกให้เดี๋ยวก็จะเอามรดกนีไปขายาไปละ เ, เลงละลายไปหมดนี่แหละพ่อแม่ก็ไม่สบายใจเพราะนั้นเราต้องทำตนให้ดีให้เป็นคสมควรควรรับทรัพย์มรดก สรุปลักษณะให้เป็นคนดีการศึกษาดีมารยาทดีการใช้ใจ่ายดีคล้ายๆว่าต้องระมัดระวังให้เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แล้วก็เมื่อท่านล่วงลับไปก็อย่างที่ว่านี่แหละอันนี้คือทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาบุตรที่ดาควรจะปฏิบัติตนอย่างไรทิศเบื้องหลังสามีภรรยาลูกถ้าคาว่าพวกเรา ที่เป็นสามีก็ตามเอาแต่ใจตัวเองไม่เห็นอกเห็นใจภรรยาภรรยาก็น้อยอกน้อยใจทําให้กิจการงานไปได้ยากแต่ถ้าว่าภรรยาเอาแต่ใจตัวเองเ อ, อให้ครอบครัวเ อ, อแล้วมีแต่เรื่องราวเกิดขึ้นจะกิจการงานก็จะไปได้ยากอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้อู้จักการวางตัวสามีภรรยาลูกควรจะวางตัวอย่างไร ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันมีอะไรปรึกษาปารบกันกิจการงานก็จะไปได้โรดได้รุ่ง อ, อันนี้ประวัติทิศเบื้องหลังสามีภรรยาบุตรทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์คนเราต้องมีครูบาอาจารย์เอาแต่เราเรียนหนังสือประถมมัธยมกอไก่ขอไข่ข้อขวดรวมแล้วจะเป็นอาจารย์ทั้งนั้นต่อมาเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็จะต้องได้รับการแนะนําสั่งสอน จากครูบาอาจารย์ทำมาค้าขายอย่างนี้นะกิจการอย่างนี้นะอย่างโรงแรมหเหมือนกันที่ดำเนินกิจการนี้จะต้องมีครูบาอาจารย์เหมือนกันแนะนำว่าเอาอย่างไรท่านก็ต้องเ ต, องตองสอนอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์มีหลายระดับครูบาอาจารย์มัธยมมัธยมตลอดถึงการแนะนำให้วิทยาทานแกเราให้แนวทางแกเราแนะนาสั่งสอนเย็บผ้าจะานี้นะเออ ตัดเสื้อผ้านี้ตัดผมนี่รดแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหมดคือเราได้เรียนรู้จากใครเที่ว่านั้นเนี่ยคือครูบาอาจารย์ของเราในระดับหนึ่งอันนี้เราครูบาอาจารย์พวกเราต้องได้เรียนรู้ทั้งว่าพวกเราอ่อนน้อมถ่อมตนให้รู้จักเวลาครูบาอาจารย์เข้ามาหาอเราก็ต้อนรับขับสู้ดีอันนี้แปลว่าเราเป็นลูกศิษย์ที่ดี ครูบาอาจารย์ก็จะประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ที่อยู่ในอาจารย์ให้แก่เราเต็มที่เพราะเหตุอะไรเพราะท่านไม่ได้หวงวิชาไว้เพราะเราเป็นคนดีเพราะนว่าเห็นครูบาอาจารย์เข้ามายืนรับอใครเขา้ามาลุกลับลุกรับอุูบาโอ้ท่านอาจารย์มาแล้วขอเชิญนั่งเมื่อท่านนั่งแล้วเราก็เข้าไปบริการค่อยค่อยรับใช้ด้วยเชื่อฟัง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 ต้องเป็นผู้แนะนำกิจการของเราอย่างนี้ เ, เพื่อนว่าอย่างไเจะกู้ยืมเงินมาจากที่ไหนธนาคารไหนที่ดอกค้นน้อยถ้ามีหมูมีเพื่อนหูแจ้งตาสว่างจะไปคบค้าสมาคมหมูก็ให้ความเอือ้อเฟื้อเอือ้ออารเออีเราก็เป็นที่พึ่งของหมูหมูก็เป็นที่พึ่งของเราเรากับหมูหมูกับเราเนี่ยเหมือนกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่ามิตรสหายกัะยานะมิตร แต่จะไปคบมิตรชั่วแทนะมิตรชั่วก็มีนะีปลาประมิตรมีกัลยาณมิตรก็มีแต่ปลาประมิตรกันมูม่ชวนหมู่พวกเพื่อนไปกินเหล้าเมายาเที่ยวขายยาบ่งยามาคันชายาผิดอันนั้นว่าปาประมิตรไม่ควครคบในหลักของพุทธศาส น, นากัญญาณมิตรคือมิตรที่ดีงามเป็นผู้เกื้อกูลหนุนกันอันนั้นแปลว่าทุกคนเกิดมาต้องมีมิตรมีเพื่อนมีฝูงจึงจะเจริญด้วยหน้าที่การงานได้ พอเป็นที่ปรึกษาปารบถ้าคนไหนไม่มีหมู่มีเพื่อนไม่มีหูมีตาเนี่ยจะเจริญยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสวัสดิ์ทิศเบื้องซ้ายมิดทิศเบื้องต่ำเบ่าคือคนรับใช้คนงานของเราเราปฏิบัติตนอย่างไงกับคนรับใช้คนงานเราก็ต้องมีเมตตาต่อเขาเขาลําบากยังไเงเมื่อเขาขับขันพ่อแม่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วควรจะยืดหยุ่นให้เขายัางไงให้เขายืมยังไงให้ทดแทนยังไง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 กิจการของของเราก็ไปได้ดีอตลอดถึงคนขาวโพดคนสวนคนอะไรทุกอย่างอันนี้แปลว่าทิศเบื้องต่ําบ่าวทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์ก็คืออย่างที่หลวงพ่อหลวงตาที่มานั่งมาฉันในวันนี้อันนี้คือทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์ก็มาเออลูกหลานเอ้ยอย่าทำเนะ้อสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งนั้นนะสิ่งนี้นะควรพวกเราควรจะกระทําสิ่งนั้นควรจะประพฤติปฏิบัติ อันนี้ว่าส ม, มณะพรามทิศเบื้องบนถ้าว่าพวกเราปฏิบัติถูกทั้งหกทิศนะทิศทั้งหนะ่ชีวิตของพวกเราก็จะราบรื่นชีวิตครอบครัวจะราบรื่นชีวิตราชการทุกอย่างจะราบรื่นเพราะเหตุไรเพราะเราปฏิบัติถูกถ้าเราปฏิบัติผิดต่อทิศทั้งหแล้วกับพ่อกับแม่ก็เข้าหน้ากันไม่ติดเผลอ เ, พ, เ, พ, เ พ, พ่อแม่ไล่ออกจากกองมรดกสามีภรรยาก็ทะเลาะกัน ทั้งวีทั้งวัน เ, เบื้องขวากูบาจานก็ไม่ให้ความครบกูบาจารย์ทิศเบื้องซ้ายก็ไม่มีหมูมีเพื่อนทิศเบื้องตามก็ไม่มีลูกน้องบริวารทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์ท่านก็ไม่อยากจะมาใกล้มาไกลเพราะพวกเราทะเลาะเบาแวงกันแล้วชีวิตของเราจะพวกเราจะราบพื้นได้อย่างไรเพราะเหตุใดเพราะว่าเราปฏิบัติไม่ถูกต่อทิศทั้งหกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อได้ บอกได้กล่าวเด่นแนะนำให้พวกเราคิดต่อเติมให้อีกจุดไหนที่มันบกขาดตกบกพร่องแล้วก็พยายามทำตนให้ดีให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นชีวิตทั้งชีวิตของเรากจะราบรื่นทุกอย่างไหลมาเทมาเทนี่ยพราะเราปฏิบัติถูกจากนั้นพวกเราก็อย่าลืมอีกทีถึงจะไหลมาเทมาขนาดไหนก็เถอะชีวิตของพวกเราก็มีจุดจบ ไม่ใช่ว่าพวกเราจะอยู่ชั่วงฟ้าดินสลายควรแสวงหาทั้งทรัพย์ภายนอกทั้งทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกก็คือข้าวน้ําโภชนาะหารเรื่องเงินเออเนี่ยเท่พวกเราหานี่คือหาเงินอันนี้คือทรัพย์ภายนอกคือนํามาเลี้ยงร่างกายของเราเอาแต่ส่วนทรัพย์ภายในก็อย่างพวกเรามาทําบุญในวันนี้น่ะเอเอพวกเราทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลให้ท่าน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 ทุกวิญญาณขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าตรงกันอันนี้คือทิศทิศทั้งหทิศทั้งหคือทิศเบื้องหน้าบิดามานดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาบุตรทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ำคนรับใช้คนงานบริวารทิศเบื้องบนสมณะพราม อยากล้มพ่อเนี่ยคือว่าจัดว่าเป็นสมณะพรามเข้ามาเกี่ยวข้องแนะนำสั่งสอนลูกหลานอันนั้นผิดนะนอันนั้นถูกนะลูกหลานนะอันนั้นบาปอันนี้บุญอันนั้นคุณอันนั้นโทษตายแล้วไม่สูญนะตายเกิดอีกเนี่ยบาปบุญคุณโทษมีจริงอยากลูกหลานอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดให้นั่งภาวนาเนาะทำจิตใจให้สงบทาจิตใจให้เป็นหนึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์ จากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่มั่นหลวงปูเ่เสาหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงปู่ต่างๆท่านไปภาวนาพิสูตนมาแล้วอยู่ในป่ารงพงไพ่สนตายแล้วไม่สูญนอะตายแล้วเกิดอีกถ้าองค์ไหนพิสูตนแล้วองค์นั้นจะเชื่อด้วยตนเองเพราะเหตุไลไยเพราะทําจิตใจสมาธิจิตใจรวมเป็นหนึ่งแล้วร่างกายเป็นอันหนึ่งส่วนจิตใจคือนามธรรมเป็นอันหนึ่ง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 ไม่เสียหายพูดอย่างนี้เป็นสงาราศีพูดอย่างนี้เป็นเงินเป็นทองพูดอย่างนี้เสียทรัพย์สินนะพูดอย่างนี้ทะเลาะวิวาทกันนะพูดอย่างนี้ออกไปเนี่ยทำให้เสียพักเสียพวกเสียหมูเสียเพื่อนนะก่อนที่จะพูดออกไปเราก็ต้องไปคิดก่อนใจคิดก่อนอย่างพูดออกไปและก็ททำก็เหมือนกันถ้าทำอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเราไปเสียดไปสีไปดูถูกเยยดยามเขาการกระทาแสดงอกัปกิริยาอย่างนี้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 มีสติสัมปชัญญะเรารู้จิตรู้ใจของเราแล้วใจของเราเป็นหนึ่งแล้วเราควรจะคิดอย่างไรจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงจึงจะเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงเป็นจึงจะถูกคิดยังไงเึงจรงจะผิดถ้าพวกเรารู้ผิดรู้ถูกนะคนนั้นจะไปสู่สุคติได้เพราะเหตุอะไรเพราะสิ่งที่ผิดเนี่ยเราจะไม่ทําสิ่งนี้เมืท่ทีมันถูกเราก็จะทําสิ่งนั้นเพราะนั้นท่านว่า ผู้ที่รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วคนนั่นแหละจะไปสู่สุคติได้นี่แหละขอให้ลูกหลานทุกคนเนียยึดหลักของพุทธศาสนาเป็นแนวทางของชีวิตทิศทั้ง6กนะั้นสำคัญพวกเราอยู่ในทิศทั้งหกนะถ้าพวกเราปฏิบัติต่อทิศทั้ง6หรือปฏิบัติ ต, ตามแนวแถวทิศทั้งหที่พระพุทธเจ้าได้วางเอาไว้แล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะ อต่อนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร อ, อุทิศส่วนกุศล น, น้าอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว